ผู้คนนึงนะชื่อจันท์แม่นี่เป็นอัลไซเมอร์ถ้าธรรมดางคนเป็นอัลไซเมอร์นะก็มักจะหลงลืมหาของไม่เจอไม่รู้ไปวางไว้ที่ไหนไม่จะเป็นกุญแจกระเป๋าเงินต้อยเวลาแม่หาไม่เจอเนี่ก็มีอาการกระว์กระวายกระสับกระสายแล้วก็บ่อยครั้งก็คิดกับเรื่องเก่าๆแล้วก็ยังมีความวิตกกังวล น, นะกับเรื่อง ต่งๆอีกมากมายพอไปจมอยู่กับเรื่องเก่าๆสีหน้าก็หมดหมองเวลาหลงเข้าไปในความวิตกกังวลอารมณ์ก็พลุ่งพล่านจันทร์ก็พยายามบอกแม่ว่าเนี่ยของอะไรที่หาไม่เจอก็ปล่อยวางมัซะอย่าไปกังวลมันเดี๋ยวก็หาเจอเองล่ะส่วนเรื่องเก่าๆ ก็จะไปจมอยู่กับมันมากมันผ่านไปแล้วปล่อยวางซะแต่ว่าแม่ก็ยังมีอาการเหมือนเดิมาของไม่เจอก็หงุดหงิดกระวนกรวายมีเรื่องเก่าๆให้คุณคิดก็ชอบมาเล่ามาบน่นให้จันฟังเป็นอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยจนกรทั่ง จำรู้สึกเครียดนบางทีก็กดต่อว่าแม่ไม่ได้ทำไมไม่ปล่อยวางสักทีแต่ขณะที่จันเนี่ยเรียกร้องให้แม่ปล่อยวางเนี่ยแต่เธอกับปล่อยวางไม่ได้นะอยากให้แม่ปล่อยวางเรื่องของที่หาไม่เจอแต่ตัวจันเองเนี่กับปล่อยวางเรื่องของแม่ไม่ได้เครียดหงุดหงิด แต่บางทีก็เผลอขึ้นเสียงระบายอารมณ์ใส่แม่ทำไมไม่ปล่อยวางเสียทีแต่ขณะที่พูดไปเนี่ยนะก็เปือนก็ปล่อยวางไม่ได้นะจริงๆเนี่ยถ้าเพียงแต่ว่าจันพยายามที่จะปล่อยวางเรื่องแม่ดูมันก็จะช่วยแม่ได้เยอะนะ เพราะว่าพอจยนปล่อยวางเรื่องแม่ไม่ได้ปล่อยวางอาการของแม่ไม่ได้บุญริงิก็ระบายรวมใส่แม่แม่ซึ่งวิตกกังวลอยู่แล้วก็สับกาษาัยอยู่แล้วก็ยิ่งมีอาการหนักขึ้นถ้าเกิดว่าจานเนี่ยเขายามปล่อยวางเรื่องแม่แล้วแล้วถ้าก็เกิดปล่อยไม่ได้เนี่ยอย่างน้อยเขาก็ได้เห็นนะว่าออการปล่อยวางเนี่ย มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะขนาดเขาเนี่ยซึงเป็นคนที่จิตปกติมีสติอยู่พอสมควรก็ยังปล่อยวางเรื่องแม่ไม่ได้เลยแล้จะไปคาดหวังให้แม่ซึ่งเป็นอัลไซเมอร์สติเนี่ยพองกับพร่องกับแพร่งเนี่ยจะปล่อยวางได้ยังไงแล้วทัศจัยเขรู้ว่าออการปล่อยวางนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ ก็จะยอมรับอาการของแม่ได้ง่ายขึ้นและพอยอมรับอาการของแม่ได้ง่ายขึ้นก็จะมีความเข้าใจนะเออแม่ก็เป็นอย่างนี้แหละพอเข้าใจแล้วเนี่ยก็จะทำให้ตัวเองมีความทุกข์น้อยลงแล้วก็ช่วยทำให้ การแสดงความหงุดหงิดระบายอารมณ์ใส่แม่ก็จะน้อยลงไปด้วยท่อนี้ก็ช่วยได้เยอะแล้วนะอย่างน้อยก็ไม่ไปเติมความทุกข์ให้กับแม่คนไม่นอาใส่เมอเนี่ยถึงแม้เขาจะจำอะไรไม่ค่อยได้แล้วเนะแต่ว่าใจเขายังรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของคนรอบข้างได้ เพราะว่าสมองคนเราเนี่ยหรือจิตใจคนเราเนี่ยมันมันทำงานได้หลายส่วนบางส่วนอาจจะกระพร่องกระแพร่งเช่นส่วนที่เกี่ยวความจำเกี่ยวกัารใช้ความคิดใช้เหตุใช้ผลแต่ส่วนที่รับรู้อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันยังทำได้อยู่นะอย่างบางคนเนี่ย พอเปิดเพลงให้เ้าฟังเนี่ยเดี๋ยวว่าเพลงที่เขาชอบตอนที่ยังไม่ป่วยเนี่ยแล้วเขานิ่งเลยนะตอนนั้นเนี่ยมไม่ได้ใช้ส่วนที่เป็นเรื่องเหตุผลนะแต่เป็นส่วนที่เกี่ยวกับอารมณ์บางทีเจอสัตว์เจอแมวเจอหมานี่ก็เกิดความเอ็นดูหมาหรือแมวขึ้นมาเลยนะกับลูก กับคนรู้จักนี้อาจจะไม่มีปฏิสัมพันธ์ด้วยในยกับหมากับแมวนี่ก็เปลี่ยนไปเลยนะเพราะนั้นเนี่ยในการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของคนรอบข้างเนี่ยคนที่เป็นอัลไซเมอร์ก็ยังรับรู้ได้นั้นถ้เกิดว่าลูกเนี่ยนะมีความหงุดหงิดเครียดถามยังพูด นะขึ้นเสียงระบายอารมณ์ใส่แม่เนี่ยเขาก็รับรู้ได้นะอารมณ์รบของลูกมันก็ถ่ายเทยไปสู่แม่ก็ทำให้แม่นี่เรียกว่าโกรนกระวายพุ่งพล่านมากขึ้นไม่เพียงแต่ว่าอาจารย์ที่เข า, เอาลองมาฝึกนะในเมื่อเร า, เ ร, เ, ราเรียกร้องให้แม่ปล่ยวางเรื่องของที่หาไม่เจอหรือปล่วางเรื่องอดีต ตัวก็ควรจะปล่อยวางเรื่องแม่หรืออากับกิริยาของแม่ดูถ้ารู้ว่าเออมันทําได้ยากนะก็จะเข้าใจแม่ยอมรับแม่ได้มากขึ้นซึ่งจะทําให้การมีปฏิสัมพันธ์กับแม่ยนดีขึ้นไม่ใช่มาใช้อารมณ์กับแม่ทําไมไม่ปล่อยวางสักทีทําไมไม่ปล่อยวางสักทีคนที่พูดแบบนี้เนี่ยตัวเองยังปล่อยวางไม่ได้ พอถ้าปล่อยวางได้เนี่ยก็จะไม่มีอารมณ์หรือไม่ใช่อารมณ์อย่างนี้กับแม่หรือกับใครก็ตามเรามักจะได้ยินอยู่เสมอนะจะเป็นลูกจะเป็นเพื่อนลูกบอกพ่อแม่ให้ปล่อยวางปล่อยวางแต่น้ําเสียงของลูกเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าลูกเองก็ยังปล่อยวางไม่ได้แต่ว่ากลับเรียกให้แม่ปล่อยวางให้พ่อปล่อยวาง เพื่อนกับมันกันนะบางทีเห็นเห็นเพื่อนในอกหักเศร้าซึมและแถมยังมีความเครียดเพราะงานล้มเหลวหรือ เ, เป็นเพราะมีความผิดพลาดในอดีตเศร้าซึมนะไม่เป็นอันทมอะไรเพื่อนก็แนะนำว่าปล่อยวางสิเธอ อดีมก็ผ่านไปแล้วคนลรําก็ไม่มีวันหวนกลับมาแล้วปล่อยวางสิแต่พอเพื่อนไม่อยอมปล่อยวางไอ้คนที่แนะนํานี่ก็เกิดความหงุดหงิขึ้นมาทาไมเรื่องแค่นี้ปล่อยวางไม่ได้ไอ้หลองที่พูดเนี่ยนะมันก็แสดงว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ยังปล่อยวางไม่ได้เหมือนกันเพราะถ้าเจ้าตัวปล่อยวางได้นะไม่แสดงอารมณ์งั้นะกับเพื่อน การที่เจ้าตัวนี่ยังปล่อยวางเรื่องของเพื่อนไม่ได้จนกระทั่งหงุดหงิดนะต่อว่าเพื่อนเนี่ยมันไม่ได้เป็นการช่วยเพื่อนเลยนะแล้วคนเราเนี่ยก่อนที่จะไปแนะนำหรือเรียกร้องให้ใครปล่อยวางเนี่ยนะต้องย้อนกลับมาดูที่ตัวเองว่าให้เราปล่อยวางหรือยังฝึกใจปล่อยวางดูแต่ก็มักจะไม่ค่อยสังเกตตัวเองเท่าไหร่นะ ได้แต่เรียกร้องให้คนอื่นปล่อยวางแต่ตัวเองนี่ไม่ปล่อยวางจึงสแสดงอาการหมุดยิดลำคานแนะนำเท่าไหร่ก็ไม่เห็นดีขึ้นเลยบอกให้ปล่อยวางก็ไม่ปล่อยสักทีนี่เราก็เห็นเป็นประจำนะอาจะไม่ใช่เฉพาะเรื่องการแนะนาให้ปล่อยวางอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้นะ เช่นพ่อแม่เนี่ยอาจะหรือครูเนี่ยอาจจะชักชวนหรือบางทีเรียกร้องให้ลูกเนี่ยรู้จักสวดนมนต์นั่งส ม, มาธิแต่คนที่พูดอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่เห็นทำให้เป็นแบบอย่างให้กับลูกหรือนักเรียนเลย บอกให้ลูกสวดมนต์แต่ตัวเองก็ไม่สวดมนต์ครูบอกให้นักเรียนนั่งสมาธิแต่ตัวเองก็ไม่นั่งสมาธิหรือถึงนั่งก็นั่งไม่ได้นานเคยมีนักครูเนี่ยพานักเรียนมาฝึกสมาธิที่นี่ก็บอกให้นักเรียนเนี่ยทำสมาธิทั้งวันเลยเจริญสติทั้งวันเลยแต่ครูไม่ทำด้วยครูไปไหนก็ไม่รู้ ไปเที่ยวข้างนอกหรือถ้าเกิดว่าครูจะลองทำดูก็จะทำไม่ได้นานอยากให้นักเรียนนั่งหรือปฏิบัติทั้งวันแต่ครูนี่ทำไปเดียวเดียวก็ลุกละเพราะอะไรเพราะเบื่อตัวเองเนี่ยทำไม่ได้แต่กลับเรียกร้องให้ลูกหรือว่านักเรียนทำเนี่ยนะ มันก็ทำให้ไอ้สิ่งที่ตัวเองแนะนำหรือแม้แต่เรียกร้องเนี่ยมันไม่มีน้ำหนักเออถ้าเกิดว่าทำเป็นแบบอย่างหรือทำกับนักเรียนหรือทำกับลูกด้วยสวดมนต์ก็สวดมนต์ด้วยกันนั่งสมาธิก็นั่งสมาธิด้วยกันแล้วจะรู้เลยนะว่านั่งสมาธิไม่ใช่เรื่องง่ายนะ พอพ่อหรือครูมานั่งสมาธิเจริญสติก็จะรู้เลยโอ้แค่สิบนาทีนี่ก็เต็มทีแล้วแล้วก็จะเข้าใจาทำไมลูกหรือนักเรียนเนี่ยมันนั่งได้ประเดียวเดียวเดี๋ยวก็ขยุกขยิกแล้วแต่พ่อตัวเองเนี่ยไม่ได้ทดลองทาก็เลยเวลาเห็นหนักเรียนขยุกขยิกหรือนักเรียนหรือลูกเนี่ยทำประเดียวเดียวก็ไม่พอใจ ต่อว่านักเรียนต่อว่าลูกในสิ่งที่ตัวเงพูดเนี่ยสิ่งที่ตัวเองแนะนำจะมี น, น้ำหนักเมื่อตัวเองเนี่ยได้ทาทดลองทําดูด้วยถ้าเกิดตัวเองทด้วยเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเป็นการชักชวนโน้มน้าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาก็ตื่นร้่นที่จะทําเช่นเดียวกันนะเวลา พ่อแม่นี่บอกให้ลูกเนี่ยนะเลิกเล่นเกมออนไลน์หรือวิดีโอเกมเนี่ยเป็นคาแนะนำที่ดีนะแต่พ่อแม่นี่กับไม่สามารถจะเลิกเล่นโทรศัพท์ได้ยังเล่นโทรศัพท์ทั้งวันแต่บอกให้ลูกเนี่ยเลิกเล่นวิดีโอเกมอย่างนี้ลูกเนี่ยมันจะเชื่อได้ยังไงเพราะขนาดพ่อแม่ยัง ยังติดโทรศัพท์มือถือเลยแต่ถ้าเกิดพ่อแม่เนี่ยในเมื่อเราอยากให้ลูกเลิกเล่นวิดีโอเกมแล้วก็ลองเลิกเล่นเลิกใช้โทรศัพท์มือถือหรือโซเชียลมีเดียที่เราเคยหลงเพลินกับมันถ้าทำได้ก็เป็นแบบอย่างให้กับลูกแต่ถ้าทำไม่ได้ก็จะเข้าใจเด็กมากคือว่าโอ้ ขณะโทรศัพท์มือถือเรายัางเลิกได้ยากนะภาษาเลยกับวิดีโอเกมหรือเกมออนไลน์มันยิ่งเลิกยากเข้าไปใหญ่โทรศัพท์มือถือมันเลิกง่ายกว่าเกมออนไลน์แต่ถ้าพ่อแม่ยังเลิกโทรศัพท์มือถือไม่ได้จะไปเรียกร้องให้เด็กเลิกเล่นเกมออนไลน์แดงไงจะเริ่มเข้าใจเด็กนะเราก็จะรู้ว่า ในการไปบอกให้เลิกเนี่ยอย่างเดียวมันไม่พอมันต้องทำอะไรมากกว่านั้นต้องเข้าใจเขามากกว่านั้นซึ่งก็หมายความว่าเนี่ยก่อนที่เราจะให้ใครหรือคนที่เรารักเี่ยเขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเนี่ยเราต้องเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนเปลี่ยนที่ตัวเองก่อนนะจึงค่อยไปคิดเปลี่ยนคนอื่น แม่จะเรียกร้อยเขาปล่อยวางเมื่อจะเรียกร้อยเขาสวดมนต์นั่งสมาธิหรือว่าเลิกเล่นวีเลิกเล่นเกมออนไลน์หลายคนนะมาเจริญสติที่เนี่แค่นั่งสร้างจังหวะสิบนาทีก็ง่วงแล้วจะให้ทําครึ่งชั่วโมงนี่โหทรมานมากเลยหลายคนเขาก็ยอมรับนะ ในความเบื่อในขณะที่เดินจงกรมสร้างจังหวะเนี่ยหลายคนทนไม่ได้แต่กลับไปเรียกร้องให้ลูกทำอย่างงน้นทำอย่างนี้ให้ลูกเลิกให้ลูกหักดิบเรื่องวิดีโอเกมหรือว่าหรือบังคับให้ลูกอ่านหนังสือซึ่งสาเราเด็กมัน มันเป็นเรื่องที่น่าเบื่ อ, อย่างๆแทที่พ่อแม่เขี่ยวเข็นให้ลูกทำสิ่งที่มันน่าเบื่อสำหรับเขาเนี่ยแต่ตัวเองเนี่ยไม่สามารถจะทนเบื่อแม้เพียงแค่ครึ่งชั่วโมงได้เนี่ยอันนี้มันแปลว่าอะไรนะแปลว่าสอนคนอื่นได้นะแต่ว่าสอนตัวเองไม่ได้เนี่ยที่ยายคนหนึ่งเ็เปลี่ยนแปลงนะแต่ตัวเองเนี่ย ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทั้งที่ตัวเองเนี่ยมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่าเพราะว่าการที่มาเดินจงกรมสร้างจังหวะเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อในช่วงแรกๆนะแต่ว่ามันก็มันก็ไม่ได้หนักหนาซึ่งเทียบไม่ได้กับการมานั่งอ่านหนังสือ หรือว่าต้องเลิกเล่นเกม น, นะแล้วมาทำอะไรที่ไม่คุ้นไม่เคยทำอะไรที่ไม่ชอบเนยสหรับเด็กมันเนเรื่องที่หนักกว่าให้เราเป็นผู้ใหญ่เรื่องทำไม่ได้ได้รู้ว่าสิ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่กลับไปเรียกร้องให้เด็กนะซึ่งมีวุฒิภาวะน้อยประสบการณ์น้อยนะทำอะไรต่อหลายๆอย่างซึ่งมันดีนะแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายสาหรับเขาเลย ง่อนที่เราจะเปลี่ยนแปลงคนอื่นเนี่ยต้องกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนหลายคนเนี่ยอยากจะให้ลูกเนี่ยรู้จักฟังพ่อแม่นี่เป็นปัญหาของพ่อแม่หลายคนมากนะพอลูกเป็นวัยรุ่นแล้วไม่ค่อยฟังพ่อแม่พ่อแม่แนะนำอะไรก็ไม่ฟังมาถ้าตามาเนี่ยว่าทายัางไงจะให้ลูกฟังพ่อแม่มากขึ้น ทางธรรมะก็แนะนาว่าก็พ่อแม่นี่แหละควรจะฟังลูกให้มากขึ้นก่อนในการที่พ่อแม่นี่ไม่ค่อยฟังลูกนะเดี๋ยวเพราตอนที่ลูกยังเด็กๆ เ, เนี่ยยังอยู่ในชั้นปถมเนี่ยไม่ฟังลูกเอาแต่สั่งเอาแต่สั่งพอลูกโตขึ้ น, นะ เ, นเนี่ยเป็นวัยรุ่นเนี่ยลูกก็เริ่มที่จะคืดทัดบ้างแล้ว ไม่ฟังพ่อบ้างแล้วไม่ฟังแม่บ้างแลมันเป็นปฏิกริยานะการที่ลูกไม่ฟังพ่อแม่เนี่ยมันเป็นปฏิกริยาจากการที่พ่อแม่ไม่ฟังลูกตอนเล็กๆหรือแม่งตอนที่ลูกเป็นวัยรุ่นแล้วนนถ้าอยากจะให้ลูกเนี่ยฟังพ่อแม่เนี่ยไม่ต้องไปทำลารกับลูกหรอกเปลี่ยนตัวเองซะก่อนฟังลูกให้มากขึ้นนะฟังโดยไม่ตัดสิน ถามทุกสุขเขาถามความเห็นถามเหตุผลเขาไม่ใช่แต่สั่งอย่างเดียวหรือสอนอย่างเดียวจะเชื่ออะไรนะถ้าพ่อแม่เนี่ยฟังลูกมากคือเนี่ยต่อไปลูกก็จะฟังพ่อแม่เพราะนั้นเนี่ยถ้าอยากให้ลูกเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นโดยการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองก่อนคือทั้งหมดนี้มีเกิดขึ้นได้มันต้องรู้จักหันมามองตัวเองนะ การมองผ่านมามองตัวนี้เป็นเรื่องสาคัญเลยคนเราถ้าไม่มองตัวเองเนี่ยมันก็จะไม่เห็นนะว่าให้เราเนี่ยมีส่วนในการสร้างปัญหาให้คนอื่นยังไงบ้างหรือมันมีส่วนทำให้สิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราแนะนำให้กับคนที่เราลักเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลูกหรือพ่อแม่เนี่ยมันไม่มีน้ำหนัก แล้วก็มานั่งโมสงสารไปทาไมเขาไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนี่เพราะเราไม่ได้กลับมามองตัวเองนะว่าไอสิ่งที่เราแนะนำไปเนี่ยนะให้เราทำได้หรือเปล่าหรือว่าเราสามารถจะเข้าใจเขาเพียงพอไหมถ้าเราได้ทดลองทำดูสิ่งที่แนะนำไปเราทดลองทำดูเราก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่ง่ายนะแล้วเราจะเข้าใจเขามากขึ้นว่าทำไมเขาทำไม่ได้ คือทำไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดการหันมามองตัวนี่เป็นเรื่องสําคัญมากเลยก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงใครเนี่ยต้องกลับมามองตัวเองก่อนและเมื่อเรามองตนได้แล้วเนี่ยมันก็จะเห็นถึงความจำเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ส่วนใหญ่เราไม่คยมองตเนเท่าไหร่นะเรามักจะไปมองคนอื่นเห็นความผิดพลาดของคนอื่นหรือว่าคิดแต่จะปรับปรุงแก้ไข หรือว่าสอนคนอื่นนะแต่ว่าเราไม่ได้หันมาเห็นความจำเป็นในการสอนตัวเองมนุษย์เราเนี่ยก็มีแอตนะในการรับรู้โลกภายนอกจะต้องหอย่างนะตาหูจมูกลิ้นกายแต่ว่าเรามีแค่สิ่งเดียวที่จะรับรู้โลกภายในก็คือใจหรือสติมันก็ธรรมดาที่มนุษย์เราเนี่ยจะไป เห็นโลกรอบตัวได้ชัดเจนกว่าและยิ่งนะไปเห็นความผิดพลาดนะความไม่ถูกต้องของคนอื่นเท่าไหร่เนี่ยมันก็ง่ายนะที่ใจเราจะไปจดจ้องอยู่กับสิ่งข้างนอกจนลืมมองตนการมองตนมันกลายเป็นเรื่องยากเลยนะเมื่อเราเห็นคนอื่นเขา ทำอะไรผิดพลาดทำอะไรไม่ถูกต้องแล้วเราคิดแต่จะไปแก้ไขเขาแต่จนลืมนะมองตัวเองหรือองน้อยระวังตัวเองไม่ให้เป็นอย่างเขาไอคนพูดที่ว่าเนี่ยนะคืออะไรว่าจะเขาอินเนอเป็นเองเนี่ยอันนี้สมัยใหม่ยไม่เข้ารู้ไม่เข้าใจแล้วมันหมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าเนี่ย ไปว่าเขาว่าไม่ขอท่าไปว่าเขาอย่างงูนอย่างนี้แต่ตัวเองกลับเป็นซะเองอันนี้เกิดขึ้นบ่อยนะเพราะอะไรเพราะว่ามองไม่เห็นตัวเองเห็นแต่คนอื่นอย่างที่เขาพูดว่าเนี่ยความผิดพลาดของอื่นนี่เห็นชัดนะแต่ความผิดพลาดตัวเองเนี่ยมันไม่เห็นเลยหรือบางทีในทางธรรม ก, ก็เรียว่าเนี่ยเอาแต่เพ่งโทษผู้อื่นนะั้งแต่ ไม่เห็นตัวเองซึ่งบางครั้งเนี่ยมันก็ทำให้ตัวเองทำอะไรออกมาอย่างน่าหัวเราะยังไม่มีเรื่องเล่านะเกี่ยวกับพระเซนนะในประเทศญี่ปุ่นเนะี่ยวัดหนึ่งเนี่ยมีพระอยู่4รูปและวันหนึ่งก็ตกลงกับว่าจะปฏิบัติทำนั่งสมาธินะ เ็ดวันโดยที่ไม่พูดคุยกันเลยและการนั่งสมาธิเนี่ยของพระเซ น, นิปุ่ น, เ, นเขาก็จะนั่งอยู่ข้างๆกันนะหันหน้าเข้าหาเพดานนั่งอยู่ใกล้ๆกันเรียงกันวันแรกเนี่ยนะตั้งแต่เช้าจดค่ำเนี่ยก็นั่งอย่างสงบโดยที่ไม่ได้คุยอะไรกันเลย แต่แล้พอดึกๆเนี่ยนะได้ยินเสียงกุกกักในศาลาในศาลาของวัดนี้เนี่ยมันมีของเก่าเยอะนะคน ว, วัดญี่ปุ่นเนี่ยมีของโบราณเนี่ยตกทอดกันมานี่หลายร้อยปีนี่เยอะมีเสียงกุกกักอยู่ตรงศาลาอีกซึ่งอยู่ไม่ไกล จากวิหารที่พระสี่รูปนั่งสมาธิก็มีรูปหนึ่งเนี่ยพูดขึ้นมาถามไพ่ออรูปหนึ่งว่าเนี่ยท่านปิดล็อกกุญแจดีหรือเปล่าเป็นห่วงนะว่าจะมีคนลักลอบเข้าไปขโมยอีรูปนึงก็พูดขึ้นมาทันทีเลยท่านลืมไปแล้วหรือว่าเราตกลงว่าจะไม่พูดกัน รูปที่สก็สวนมาเลยแล้วท่านทั้งสองพูดทําไมเงียบไปสักพักรูปที่สี่ก็พูดขึ้นมาเลยนียพวกท่านนี่แย่หมดเลยพูดกันทุกคนเลยยกเว้นผมเรื่องนี้ตกลงใครแย่ที่สุดนะทั้งสามรูปนี้ก็ลืมตัวนะเพราะส่งจิตออกนอกรูปแรกนี่ก็ไปสนใจเสียงกุกกักอยู่ที่ศาลาลืมมองตนเลยเผลอพูดรูปที่สองเนี่ยก็ เห็ลูกที่หนึ่งพูดก็ไม่พอใจนะเพราะว่าผิดกติกาตกลงว่าจะไม่พูดแล้วพูดทําไมลูกที่สก็เห็นทั้งสองลูนี้ไม่เคาทรพเพอพูดก็เลยต่อว่าเนี่ยลูกที่สเนี่ยนะหนักกว่าคนอื่นนะพาะไม่พิงเน่ต่อว่าผู้อื่นนะแต่ยังอวดตัวด้วยว่าฉันเนี่ยไม่พูดเลยนะพวกคุณนทั้งสาคนเนี่ยพูดหมดเลยทุกคน นนีมนสะท้อนอะไรนะก็คือเอาแต่มองคนอื่นนะแต่ลืมมองตนเวลาเห็นใครผิดพลาดมันจะเห็นชัดนะจนอดไม่ได้ที่จะตําหนิแล้วไม่ใช่แค่ตำหนิเองเดียวนะบางทีอยากจะยกตนข่มท่านด้วยนะฉันแน่ฉันเก่งฉันเดียวคนอื่นเนี่ยความอยากอวดเนี่ยมันก็ทําให้ลืมตัวไม่ใช่แค่การเห็นความผิดของผู้อื่นเนี่ยทำให้ลืมตัวเพราะอยากจะตําหนิให้ความอยากอวด มันก็ทำให้ลืมตัวเหมือนกันอันนี้เพราะว่าไม่ได้มั่นมองตนนะถ้ามั่นมองตนจะเห็นนะเห็นใจที่อยากจะตาหนิหรือเห็นตัวอัตตาที่มันจ ะ, จะอวดซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้าเรามั่นมองตนอยู่เสมอเนี่ยก็จะเห็นได้ไวแล้วก็หักห้ามใจหรือว่าไม่เผอ พูดออกไปเพราะว่าตั้งสติได้แต่เพราะเราไม่ได้มองตนนะมันก็เลยลืมตัวได้ง่ายเวลาเห็นใครทำอะไรไม่ถูกนะหรือว่าเวลาอยากจะอวดว่าฉันแน่ฉันเก่งกว่าคนอื่นนี่คือเรื่องที่เราต้องระวังอยู่เสมอนะ